เอาออกทิ้มไปบ้านเราจะได้สดใสเสนียจันไร่จะต้องไม่มีเพรว่าจะลงรักษาเสนียจะมาบ้านก็ต้องมาเคสส ด, ดีวันนี้สันส้นๆยายชื่อนางเดียนนินขาวเสียชีวิตเมื่ออายุจ17ปี มีอาชีพทำนาทำไร่รับจ้างเก็บหอยปูปลาทำอาหารยายมีลูกหกคนลูกคนโตของยายเป็นแม่ของลูกผู้เขียนเรื่องราวเมื่อยายแยกทางกับตายายก็มาอยู่บ้านลูกคนโตยายมาช่วยเลี้ยงหลานช่วยขายของยายเป็นคนกินเหล้าเวลากินเหล้าพอกลุ่มๆ ก, ก็จะบน่นจากคนไม่ค่อยพูดก็จะพูดเยอะขึ้นเป็นไง<ด>สุรา บ า, บางครั้งปากบ่นไปก็ทํางานบ้านไป เ, ออ <c oughs> เพราะยายเป็นนขยันและสะอาด <c oughs> อยายมีธีดีให้คนเช่าขุดบ่อพรอยลูกสาวคนที่ห้าจะเป็นผู้ดูแลเก็บเงิน <c oughs> แล้วยายก็โดนโกง <c oughs> ลูกสาวขอยายไปเบิกเช็คแล้วก็ไม่ยอมเงินให้ยายยายไปโทรงเงินก็ไม่ยอมให้จึงโกรธลูกคนนี้มากและไม่ยอมพูดด้วยเลย <c oughs> ว่าหนึ่งยายกินเหล้า แล้วก็เดินหกล้มข้อเท้าหักจากนั้นร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงก่อนยายจะเสียทานอะไรไม่ได้เลยพอทานเข้าไปก็จะอาเจียนออกมาหมดมีอาการสูบผอนไม่มีแรงยายพักอยู่ที่บ้านของแม่ก่อนที่ยายจะเสียแม่ก็จะดับไฟฟ้าในบ้านหมดเลยแล้วจุดเทียนลูกสาวของยายคนที่สองก็จะสวดมนต์ให้ยายฟังตลอด ลูกก็นั่งมองยายเห็นมือยายปัดไปมาปัดไปปัดมาพอสามเพลสุดท้ายก็เสียชีวิตช่วงที่ยายเสียชีวิตทุกคนในบ้านจะได้ยินเสียงโคดในครัวลม้มเหมือนคนเดินชนแล้วก็ได้ยินเสียงถอดกลอนประตูครัวเพื่อจะออกไปนอกบ้านเสียงเงียบ เดินไปดูทุกอย่างก็เป็น ป, นปกติขวดไม่มีล้มรประตูไม่ได้เปิดออกคือหลังจากท่านสิ้นแล้วลูกจรักษและผูกพันกับยายมากเพราะยายเลี้ยงลูกตั้งแต่เกิดยายเป็นคนช่วยชีวิตลูกพรลูกเกิดมาก็ปากแหว่งไปไดานโว่กินนมไม่ได้ท่านก็นหาวิธีช่วยชีวิตคือตัดรูหัวนมให้ใหญ่กว่าปกติลูกก็เลยได้กินนมลูกได้ทำ ส, สัญญกรรมมาสองครั้งคือตอนเด็กและตอนโต ตอ น, นเด็กๆลูกจะโดนล้อเรียนตลอดออเรื่องพูดไม่ชัดลูกก็ไม่ชอบเลยบางครั้งก็โกรดคนที่มาล้อเรียนแล้วก็ด่าเขาไปด้วย oh. ลูกเคยมีความคิดว่าทำไมลูกจึงเกิดมาไม่เหมือนคนปกติตัวตัวไปปัจจุบันนี้ไม่มีความคิดแล้วไม่มีความคิดชนิดแล้วเพราะเป็นนักเรียนอ่ะนุบาลฟันในฟันวิทยา mm. รู้แล้วว่ากฎแห่งกรรมมีจริง ค, คาถามก็คือทาไมมือของยายปัดไปมา แล้วเสียงที่ขวดล้มและเสียงถอดกลอนประตูยายเป็นคนเดินชนขวดและเปิดประตูใช่หรือไม่สองตอนที่ลาโลกไปยายอยู่ที่ไหนครับปัจจุบันนี้ยายอยู่ที่ไหนยายกับลูกสาวคนที่ห้าของยายเขาทาการอะไรกันมาก่อนยายเสียชีวิตทำไมยายทานอาหารไม่ได้อาจียนหมดยายกับลูกในอดีตชาติเคยเป็นอะไรกันมาก่อนหรือคะในชาตินี้ถึงรักและผูกพันกันแล้วก็ยังช่วยชีวิตให้กินนมด้วย บุญที่ลูกเดี๋ยทวทุกๆบุญที่วัดพระธ ร, รมการแล้วที่ส่วนบุญส่วนกุศลแม่ให้ยายยายได้รับหรือเปล่าคะยายทําบุญซื้อที่ดินสร้างวัดพระธรรมกายท่ากระถิ่ป่าลหลานหลาลูกสาวคุณโตของยายสร้างองค์พระให้ยายหนึ่งองค์ครับบุญประการใดดีกชาติ ข, ของลูกลูกทำกรรมอะไรไหวาชาตินี้ตังเกิดมาปากแหว่งต้องทําสัญรการถึงสองครั้งคนที่ล้อเรียนลูกลูกก็บเขาไปล้อเรียนเข้าใช่หรือเปล่าคะคลูกอยากทราบว่าพ่อจะไปเกิดเป็นหัวหน้าภุมมาเทวา ย, ยู่ที่เหมืองพลอยด้ย ที่ตะบนตกพรมตอนนี้พ่อยังอยู่ที่ไหนหรือเปล่าคะตอนที่ลูกไปเหมืองพลอยเอาบุญไปฝากพ่อพ่อรับรู้หรือเปล่าคะและบุญที่แม่ทําลูกๆทาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พ่อรวมทั้งบุญที่ถวายบ้านพร้อมที่ดินที่ตะบนตกพรมพ่อได้รับทุกๆบุญหรือเปล่าคะนี่ก็เป็นคําถามย่อๆต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องฝันในฝันที่เป็นตุเป็นตะกันยายเดียนนิ่นขาวตายเ7ปีที่ยายเอามือปัดไปปัดมาน่ะ เพราะยายเห็นย ม, มทูตมารออยู่แล้วย ม, มทูตต้องทาท่าจะฉุดไปเลยเลยเอามือปัด<อ>ย ม, มทูตติดตัวดำๆผิว ด, ดำนุ่งยักรังสีแดงจำได้ไหมจำได้ครับมาจากย ม, มโล ก, โลกท่านตายเพราะว่าหมดอายุไขมีชื่ออยู่ในบัญชีแล้ว พอถึงเวลาก็มาก็ตายเขาก็มารับตัวไปที่ได้ยินเสียงชนขวดล้มและเปิดกลอนประตูเพราะยมทูกกำลังพาตัวไป<อ>แต่ยายน่ะขัดขืน<อ>เลยร้องตะโกนให้ลูกๆห ล, ล, ลานช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินท่างกับพยายามทำให้มันเกิดเสียง<อ>ชนนนทชนนี่จึงได้ยินเสียงดังนั้น ยมทูตสองคนคออยู่หน้าบ้านสิมารับในบ้านนะเพียงคนเดียวส่วนยายส่วนที่ลูกสวดมนต์ให้ยายฟังกันก่อนตายนั่นนะยายไม่ได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วตอนนั้นนะ<อ>เพราะว่าไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะตายกำลังเตรียมต่อสู้ก็ยมทมูตปัดไปปัดมานั่นแหละตายแล้วก็ไปยมโลก เมื่อพยายมราชให้ตรวจดูบัญชีบุญบาปแล้วก็ได้พิพากษาให้ไปถูกกรอกน้ำทองแดง ร, ร้อนในยม โ, มโลกก่อนเพราะกรรมดื่มสุรารแต่ก็ได้รับลดยอนพรนโทษจากบุญที่ลูกหลานอุทิศไปให้ไม่ฉะนนั้นจะต้องไปมหารกแต่เพราะบุญนัจึงฉุดมาแค่ยม โ, มโลกเพราะอาจินกรรมที่ดื่มสุรา จะไปมหารกนั่นแหละส่วนกรรมอื่นก็มีปานาติบาตก็รอคิวอยู่ภายหลังจากพ้นจากกรรสุราแล้วเมื่อไปยมโลกกายท่านไม่ใหญ่โตเท่ากับผู้ที่อยู่ในมหารกคโลกแต่ว่าผอมแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ในยมโลกเอากระบวยตักน้ำทองแดงจากหม้อโลหะร้อน และก็จับยายนอนหงายอ้าปากกรอกลงไปขัดขืนก็ไม่ได้ทุกทรมานมากถูกกรอกจนตายตายแล้วก็ฟื้นเป็นอย่างนี้นับครั้งไม่ทวนที่ก่อนตายยายรับประทานอาหารไม่ได้อาเจียนทุกครั้งนะเพราะกรรมสุราและปานนาธิบาจ้ายายกับลูกสาวคนที่ห้ามีกรรมกันก็นในอดีต เป็นกรรมของยายเองนั่นแหละเคยขโมยแล้วโกงเงินของแม่เขามาก่อนใช่ไห oh. อย่าไปโกรธเขาเลยนึกว่าให้อภัยกัไปแล้วก็แล้วกันไปจะได้จบเวรจบกรรมกัน oh. ยายกับลูกที่ส่งเคสตี่มาผนะูกผ่านรักกันมากก็เพราะ oh. เคยเกิดเป็นแม่ลูกกันแน่ดี oh. และช่วยแม่ทำมาหากิน oh. โดยชอบวางเบ็ดตกปลาบ่อยๆเป็นอาชินกรรม เบ็ก็ไปเกี่ยวปากปลาเวลาปลาดิ้นไปดิ้นมาก็ทำให้ปลานะ้ำปากแหวง<า>กรรมนั้นก็เลยส่งผลให้ปากแหวงแล้วก็ทำให้ชาตินี้นี่ดีไม่ดีแล้วก็อายุจะไม่ยืนถึง75้นะลูกนะเพราะการรมปานาธิบาตันตามมาแต่ก็มีวิธีแกใทำทุกทุกบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลแมให้สัปสัต ท, ที่เราเคยฆ่าเขา ให้ทำบ่อยๆก็จะทำให้กรรมนั้นบรรเทาเบาบางลงไปแล้วก็บุญพิเศษที่ควรทำคือปล่อยปลาบ่อยๆก็จะช่วยได้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายบุญปัจจุบันก็จะได้ช่วยให้ยืดอายุต่อไปเนี่ยได้อีกนะลูกนะ หนักก็เป็นเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีส่วนพ่อก็ยังอยู่ที่เดิมและผูกพันอยู่กับที่ตรงนั้นยังไม่ได้ไปไหนแต่ก็ได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้จะสภาพก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็ยังอยู่ที่ตรงนั้นแหละการปธิบัติตกปราได้บางลงไปแล้วสําหรับลูกที่ส่งแคสตดี้มานะอันนี้แถม จึงสามารถทำสัญญกรรมตกแต่งได้จ้า oh. พอที่ใครๆเขาเห็นแล้วไม่มีอารมณ์จะมาล้อเรียนอีกเ oh. พราะกรรมมันบางลง oh. กรรมในอดีตเนื่องจากบุญในปัจจุบันที่ทำเอาไว้ oh. อีกประการหนึ่งก็มีวจีจรกมคือในอดีตชาติชาติหนึ่งชอบพูดคำหยาบไม่พูดจาภพเราะเพราะชาตินั้นน่ะ ไปเกิดในตระกูลที่ยากจนเพราะไม่ได้ทําทานมารหรือทํามาน้อยมากอะไรไปเกิดในตระกูลที่ยากจนต้องหาช้ากินข่ํามไปหาผักปลาไปขายในตลาดซึ่งภาษาในตลาดกับสารพัดทั้งด่า ก, กันบ้างประชดประชันกันบ้างพูดให้เจ็บใจบ้างอะไรในทํานองนี้โตก็ทําอย่างนั้นมาเขาทำไงกระทํา กรรมนั้นก็เลยส่งผลมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาตินี้ต้องพูดคำละเอียดนะลูกนะคำที่ไพเราะที่ตรงที่จริงเนี่ยได้มีประโยชน์โดยให้ชักชวนคนมาทำความดีบ่อยๆกรรมนี้ก็จะหมดสิ้นไปนี่ก็เป็นเคสดดี้โดยยอ่อ